รอพวกนี้รอตายแล้วเหนนะนี่เราทําบุญให้ศพเป็นเนี่ยศพเป็นๆนนั่งอยู่เนี่ยศพตายที่พระไปเนี่ยไม่เหลือเน่ะไปทําบุญให้ศพตายกุศลาซองมากุศลาซองมาสองขาวมาบางคนก็เอาซองไปซื้อบุหรี่สูบเขาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อหวยก็มีเข้าใจไหมอันนี้เราทํำทำความทำให้ศพเป็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยศพเป็นนศพไม่ตายเจริญสติให้ศพเป็นเหมือนก ใครมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้บุญมากหลวงพ่อเชนว่าบุญคือความรู้สึกตัวบาปคือไม่รู้สึกตัวนี่นะไม่รู้สึกตัวว่ายกขึ้นรู้สึกซื่อื่อรู้สึกเฉยๆรู้สึกเป่าๆรู้สึกเป็นกลางรู้สึกปกติรู้สึกล้วนๆรู้สึกที่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อกี้เราสวดว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ทําชั่วทั้งปวงทําความดีทำกุศลในสิ่งร้อมแล้วก็ชําระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส การทำจิตให้เนี่ยที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยเป็นตัวทําจิตให้ยิ่งทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้หลุดพ้นจากทุกทังพวงนั่นเองมันรวบยอดข้อหนึ่งเลยละชั่วอยู่ในตัวทําดีอยู่ในตัวแล้วเป็นการทําบุญสูงสุดด้วยเนี่ยทําไปเลยนะทําไปเลยยกมือไปก็แตกๆไม่ยกอ่ะนั่งเอามือขี่มาให้ให้เห็นตัวสติทําคือการกระทํา ทางใจก็กระทำความรู้สึกทางปากก็กระทาการพูดทั้งมือก็ขยับกายเคลื่อนไหวปัดบ้านบีผมอะไรก็แล้วแต่ตเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่คื อ, อก็คือทํากระทําด้วยใจกระทาด้วยวาจารกระทําด้วยกายกคือมือแะเท้านี่ก็เรียกว่ามโนธรรมใจธรรมวจีธรรมปากธรรมกายธรรมคือมือร่างกายธรรมะมันเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเป็นธรรมะทั้งหมดเลย แล้วธรรมะทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่ว่างจากตัวตนมาว่างจากตัวตนแต่เราเห็นผิดเข้าใจผิดน่ะก็เรียกมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่ากายรูปร่างกายนี่เป็นตัวเราเราไปเห็นจิตเห็นใจความรู้สึกเห็นนามธรรมมาตัวเราตัวตนมาตัวฉันตัว่อยตัวข้าพเจ้าตัวเธอตัวคุณนี่เขาเรียกว่าเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกออรูปธรรมะกายธรรมะ ธรรมากายธรรมะธรรมใจสัมมาวาจาวาจาคำพูดในยอยู่ในพวกพวกลูกเป็นรูกประธรรมก็มีแต่ลูกประธรรมกำเนิดปาะธมเท่านั้นมีธรรมะล้วนๆเท่านั้นเองเข้าใจไหมนี่เราบริหารยังไงบริหารธรรมะใจยังไใจเวลาจะคิดเวลาเนี่ก่อย่ามีความโลภความโกรธเข้ามามาแทรกแทงให้มีความรู้สึกตัวทุพพร้อมอยู่เสมอก็คือการเจริญสตินี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวความโลภความโกรธความหลุมเข้ามาไม่ได้ วาจาก็พูดแต่เรื่องความดับทุกข์พ้นทุกข์นี่จังพูดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาวาจากายกับนั่นกันทําอะไรก็เพื่อดับทุกข์นี่ทําอะไรก็ดับทุกข์เพื่อมันเป็นทุกข์เอทุกข์มาดับทุกข์นี่ออกแรงมาทุกข์เงินปลูกข้าวปลูกน้ําตําน้ําพริกอะไรต่างๆทุกข์แต่ว่าเอามากินดับทุกข์ทุกข์เพราะหิวดับทุกข์ก็กินเข้าไปหิวน้ําทุกข์ดื่มน้ำเข้าไปดับทุกข์ถ่ายหนักสายเบาเป็นทุกข์ก็ไปถ่ายมันไปดับทุกข์ให้มัน เกิดมาเพื่อรู้ทุกและดับทุกนี่คือหน้าที่ของหน้าที่ของมนุษย์ใจสูงเข้าใจมที่จริงตัวเราเนี่ยก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติดินมันไม่รู้จักมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแข็งหรืออ่อนมันไม่รู้น้ําเหลีวไหลเอ่ออับซึมซาบมันไม่รู้ลมพัดไปพัดมาแข่งตึงมันไม่รู้ไฟร้อนอุ่นมันไม่รู้สุญญากาศหรือความว่างมันไม่รู้ทีนี้มันจึงมีบินญาณเกิดขึ้นมาท่านรู้บินญาณเกิดคือมารู้ว่าธรรมชาติเนี่ย ดินน้าลงไฟอากาศต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อมันเกิดขึ้นเราเป็นอานิจังไม่เที่ยงทุกขงังทนดูสภาพเดิมไม่ได้ต้องขูพังแล้วก็พังไปอนัตตาบังคับไม่ได้ปรัถนาไม่เป็นไปตามใจปัทนาไม่มีตัวตนเทียงแท้ท ว, วันอะไรก็เลยอนิจังธรรมะอานิจังธรรมะทุกขงังธรรมะอนัตตานามรูปังอานิจังนามะ ก, ก็นามคือใจที่ต้องรู้สึกรูปังก็รูปคือร่างกายอานิจังไม่เที่ยง นามะรูปังทุกขงังกายกับใจเป็นทุกทนยากทนระบาสถนสุด ท, ท้ายก็ทนไม่ได้ต้องพังไปอา่อาทังไปทีนี้เราก็พูดตามภาษาสมัมปรเกิดแก่เจ็บตายนะความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ตัวเราเป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมะฝ่ายอานิจจังฝ่ายทุกขงังฝ่ายอานัตตาเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็เลยเห็ น, เ ห, นเห็นพระไตรลักษณ์หลวงปูเสียบอกเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขงังอนัตตาของกายกับใจ ของสิ่งแวดลอบต่างๆเนี่ยตั้นแหลกคือพิปั ส, สนาเกิดขึ้นแล้วพิปั ส, สนาเกิดขึ้นแล้วสิทีนี้มันจะละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปทั้งถึงที่สุดก็เป็นพรลอหนันไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีทุกข์อยู่ในกายเนี่ยเห็นเห็นที่นี่นะ เ, เห็นที่ใจเขาไปรู้ที่ใจเขาไปเห็นที่ใจเขาไปเห็นที่ความรู้สึกเนี่ยที่เรายกมือซื่อเฉยๆยมันไม่มีตัวโลภตัโกรธตัวหลงเขามาเกิดจงกันทูมืออยู่นีือะไรเป็นความรู้สึกอรู้สึก รู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็ผ่านไปรู้สึกแล้วผ่านเนี่ยเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่สะอาดเป็นความรู้สึกสว่างเป็นความรู้สึกที่สงบสงบเพราะไม่มีตัวโลภตัวโกรธตัวงเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่ไม่มีความทุกเ์เจือปนอยู่อมันเผลอไปคิดเผลอไปนึกเผลอไปอยากเผลอไปยึดนั่นแหะตัวโง่อวิชามันพาไปอวิชาแปลว่ารู้ผิดเห็นผิดรู้อย่างโง่โง่รู้อย่างหลงหน่หละรู้อย่าง รูดดด้ด้วยความโลภรู้ด้วยความโกรธรู้ความหลงรู้ด้วยความตั้นหาทยานอยากรู้ด้วยความยึดมั่นที่มั่นนั่นแหละเขาเรียกอภิชาอีก o r แลนดสติปิดฟุลดิสดิลูชัพวกพวกนี้โง่ทั้งนั้นะอีกเดแลนแปลกัาอภิชามันกันแปลว่าโง่แปลว่าหลงนะสติปิดก็โง่บัดซบเลยฟุลดิสก็โง่นี่นะอากบ d ด l ลูช o นโมหะหลงโง่เหมือนกันนี่ อยู่ที่ใจนี่แหละใจโง่ที่แหละคิกมาปั๊บถ้าไปเห็นอะไรปั๊บตาเห็นรูปรูปสวยก็เชยรูปไม่สวยชี้เลยอย่างเชยเนี่ยอันนี้ชนะทุกนะชนะตัวปุ่มแสงแล้วเข้าใจไหมใจไม่ปุ่มแสงเป็นยินดีไปยินร้ายเป็นรักเป็นชังตีเสียงกระทบหูเสียงดีก็เชยเสียงชั่วก็เฉยไอ้เสียงกระทบหูรูปกระทบนะเสียงก็คือรูปตาที่เห็นรูปนั้นก็รูปเหมือนกันรูปกระทบตา เสียงก็เ ป, ปกกกเป็นรูปกระทบหูเจมูกก็เป็นรูปกลิ่นกระทบเจมู ก, มกแล้วก็รสก็เป็นรู ป, ป, รปกระทบลิน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบผิวกายหยาบละเอียด ก, กระทบผิวกายทียนี้กระทบเข้ามาที น, นี้ทำมาร ม, มก็คือมโนภาพที่นึกคิดเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลิตภัณฑ์เ อ, เ, อ เ, เอาสมบุติเอาอะไรต่างเนี่ยเป็นรูปในใจเมื่อก็ฝันก็เรียกว่าทำมารมทำมารมตัวนี้ก็เรียกว่า เขาเรียกว่า p i กเจอร์ออฟสปีดเขามโดภาพ Pi กเจอร์ออฟสปีภ <of> าพแห่งความภาพแห่งความพู ด, พดนั่นแหละมันเข้าไปปรากฏอยู่พูดถึงพูดถึงรูปพูดถึงเสียงพูดถึงกลิ่นพูดถึงรถมั น, นเข้าไปอยู่ในใจก็เป็นธมอารมณ์พิกเจอร์ออฟสปีเลยนั่นเป็นธรรมอารมณ์นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็กเป็นอนิจจังทั้งหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสโทสะภาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาตาหูจมูกลิ้นไก่ใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาเห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นเห็นธรรมะ อนิจจังธรรมะทุกขงังธรรมะอนาตตาธรรมะลูกคือธรรมะนามธรรมะกายธรรมะใจเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนาตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวเราเขานี่ตัวถอนซะถอนตัวนี้ก็เลยละสักกายเจติจิความเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อันนี้เข้าขั้นลักษณะเข้ายานของพระโสดาบันพระโสดาบันปุ๊เข้ากระแสพระนิพพานเข้าสู่กระแสความพ้นทุกข์แต่ยังไม่ถึงที่สุดเข้าใจไห ม, ไมเห็นว่าตั้นตัวฉันตัวเธอปาพูด คุณฉันท to, ่านเธอคุณนะคุณนี çocuk, settling, ้พูดตามสมมติไปแต่ใจให้พูดอีกนะรูปนามรูปนามรูปนามน้ามะรูปังอดิจังรูปน้ำไม่เสี่ยงกายใจไม่เสี่ยงน้ำมะรูปังทุกขังกายใจรูปนามเป็นทุกน้ำมะรูปังอดิจังกายใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวนเราเขานี่ให้ตัวใจพูดอย่างนี้ปากก็พูดคุณฉันท่านเธอคุณหญิงคุณนายแลก็ว่าไปชื่อตามสมมุติไปปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งเขาจปากปลมัิ ใจสมมตินี่ก็พูดแต่สมมุติเราพกันเราไม่เคยไม่เคยเอาตัวสัญญาเอาความจำเนี่ยจำว่านี่นั่นรูปนามน ะ, นะจํจาำ ก, ก่อนตัวสัญญาเนี่ยจำบ่อยๆมันจะกลายเป็นตัวปัญญาเองมันจะกลายเป็นตัวสติเองคือระลึกบ่อยๆเข้ า, ขาใจไหมถ้าจะอยาก จ, จะพูดขึ้นอยากจะพูดขึ้นมาคุนฉันท่านเธอนี่สมมติรูปนามรูปนามเนี่ยอย่างหลวงปู่คาเขียนรูปนามที่บริสุทธิ์รูปนามที่คนทุกเนี่ยพูดสมมติญญเรียกว่าหลวงปู่คาเขียน เข้าใจไหพูดตามสมุดเฉยพูดหลวงปู่คำเขียนจริงๆรูปนามที่บริสุทธิ์หุดผลทุกนั่นเนี่พูดตามสมุดอพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วหมดทุกข์ิ้งเชิงหมดอาสาตัวตนหมดตัณหาแล้วหมดความคึดมั่นมาเป็นตัวเป็นตนหมดตัณหากฏยานยาหมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรหมดทุกข์หมดปัญหาจบจบจบุกจบปัญหาเลยสาเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าใจห ตัดขาดต่อไม่ติดอั่นะบรรลุมาผนที่ผ่านปล่อยวางนั่นแหละอันเดียวกันคําพูดคําเดียวกันแต่พวกเรามันต่อติดอยู่ต่อติดตัดไม่ขาดอยู่กันจะมาพอเขายอว่าเดี๋ยวดีอย่างนั้นน่ยดีใจนั่นต่อติดครับต่อติดทีนี้พอเขาว่าไม่ดีก็เสียใจก็ต่อติดวเนี่ยหลวงพ่เทียนพูดยังไงรู้ไหมดีใจก็เป็นบ้าเสียใจก็เป็นบ้าหัวเราะก็เป็นบ้าร้องไห้ก็เป็นบ้านั่นแหละบ้าผมบ้ามาตั้งแต่ถึงอายุ 4- ีปี4ีีปีพออารมณ์ใดที่น่าโกรธมันกระทบมันไม่โกรธนีโอ้เนี่ยเป็นพระได้แล้วใจเป็นพระใจกระเสิฐใจอยู่ในอารมณ์ได้แล้วเนี่มันเห็นอย่างนี้มันจะแจกที่ตัวเองนะเราเราก็เหมือนกันในคันนี้ใครแข่งหลวงพ่อใครโกรธหลวงพ่อมีไหมไม่มีใช่ไหมมันเผลอไปทางหางใช่มันเผลอไปนึกไปคิดเหรออ่าไปนึกไปคิดปรุงแต่งอีไรไอ้ตัวไอ้ตัวกิเลสมันไปจากตัวโง่ตัวหลงตัว อ่าไม่รู้ตัวไม่เข้าใจอนะยเงี้ยมันเข้ามาเข้าใจมนะาเนี่ยฮะว่าหลวงพ่อเช่อนั้นชืญนี่อนี่ก็สมบูรณเฉยเฉแล้ก็รูปนามนะถ้ามีสติสมบูรณ์กับรูปนามนี้ก็ไม่มีทุกข์ถ้าสติยังไม่สมบูรณ์ยังขาดขาดตกบ่งบองกับรูปนามนี้ก็ยังมีทุกข์เจือพนอยู่นะมีทุกข์เจือพนอยู่แต่ว่าเราฝึกสติแล้วเราเอาเอ า, เอาทุกข์เอาตัวความคิดปลุกแต่งเอาออกได้ออกได้ไวเอาออกได้เร็วเข้าใจไหมออกได้ไวออกได้เร็วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติแล้ว หนาแน่นผู้ทัชนหนาแน่นด้วยความโลภความโกรธความหลงหนาแน่นด้วยทุกหนาแน่นด้วยกิเลสไม่มีช่องว่างที่จะให้สติเข้ามาแทรกได้เลยเข้าใจไหมันก็หนาแน่นเลยทีนี้อริยชนอ่าบางเบาจากกิเลสบางเบาจากความทุกข์แล้วทีนี้ทีนี้ก็เรียกเบาขึ้นเบาลงบางลงเบาลงบางลงปล่อยบางกิเลสได้เยอะแล้วเพราะมีสติมากมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมอยู่ตลอดเวลากายกับใจมันอยู่ด้วยกัน อยู่ที่นี่รู้สึกอยู่ที่นี่ที่ตัวตัวความคิ ด, คดปุงแต่งเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงมันเข้ามาไม่ได้อาจารย์ผู้เกี่นี่ทีส่สวดเมื่อกี้ละชั่วทําดีทําละจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสที่เรายกมือสร้างจังหวัดเนี่ยเราทําบุญตัวสูงสุดหนึ่งตั ว, ต, วตัวที่3เลยโอวาทของพระเจ้าหวัวใ จ, จพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพปะปะภาษากรรณาการไม่ทําบาปทางบ่วงกศุาศลละสุขประสานทาการทํำกุศลในสิ่งพร้อมการทาความดีนะสัจจิตะปริโยชน์การช้ำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส ให้จิตหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองที่เรายกมือสร้างจังหวะนี่แหละเป็นการตัวทำตัวขั้งที่สามเลยตัวที่สามมันคุมตัวที่หนึ่งด้วยละชั่วอยู่ในตัวทำดีอยู่ในตัวแล้วแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่ในตัวมันคุมทั้งสามตัวเลยเข้าใจไหมอย่าทำทำความรู้สึกตัวไว้นะทำเอามือเอามือเขี่ยมือไว้นะถไก็ยยังไงก็แหละหลวงพ่อพุทธทาสทำอย่างนี้ท่านเอามือรูปงนี้เทศเทศเทศไปมือนึงจับตาราโมข้อคำเขียนจะพูดแล้วมือทาอย่างี้ หลวงพ่อเคยไปงานวันเกิดของพ่อท่านก็สองครั้งแล้วอตอถ้ามินชีวิตอยู่คนฟังประมาณห้าร้อยคนหกร้อยคนหลับไปสองร้อยกว่าคนตื่นอยู่สามอยคน <c oughs> แต่บุญท่าน <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่หลับเลยตื่นเช้าขึ้นไม่เลี้ยงอาหารใ ห, ให้กินน้ํากับน้ําผึ้งเพราะวันเกิดไม่ได้กินข้าว่ะกินแต่น้ํากับนมแม่นมแม่ก็ยังไม่ทันออกเลยกินแต่น้ําอย่างเดียวเ่านั้นมันเกิดของเราะดื่มแต่น้ําอย่างเดีย ว, วท่า น, นำบำเพ็ญตื่นวันเกิดก็ไม่ต้องกินข้าวเสียอ่ะ กินเจน้นะําดีหน่อยเอาน้าพึ่งมาแจกหน่อยเนะี่ยมันเกิดอาจารยนะ์พุทธาพิขุณนะพุทธาพิขุณนี่เวลาท่านจะตายขึ้นมางดยาอย่ามไม่ได้เอาเลยต่อมาก็งดอาหารงดน้ําเสร็จแล้วก็ตายเลยไม่กินเลยยามไม่กินอาหารไม่กินน้ําไม่ดื่มเลยเรือต่หายใจหายใจเข้าหายเจย้ายังกินลมอยู่เลยเสร็จแล้วกินลมไม่ไหวลมลมปุ๊บก็ตายเลยตายไปเลยมันก็เรียวกว่าพูดตามสมมติว่าตาย ที่จริงอะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะเกิดขึ้นทิติตั้งอยู่ชั่วขณะพังคะดับไปอุปาทะทิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละอนิจจังทุกขังต่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังต่าพูดตามว่าคนนั้นตายคนนี้ตายคนนั้นแก่คนนี้เจ็บเนี่ยหลวงพ่อทรงสุกแก่หลวงพ่อทรงสุกเจ็บหลวงพ่อทรงสุกตายเนยพูดตามสมุดที่จริงอะรูปนามอุปาทะเกิดขึ้นทิติตั้งอยู่ชั่วขณะพังคะแล้วก็ดับไป รูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดัวไปอุปัฏฐะทีที่สังคะเนภาษาอังกฤษก็อ i ไ i n g exiting a moment แล้วก็ falling พูดสองตัวก็ rising falling เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นั้นเองเกิดขึ้นดับไปที่คำพูดก็เกิดขึ้นนะใช่ไหมเกิดดับแล้วโม่เกิดดับไปตัดสะเน่ยกิดดับเป็นคำพูดที่ดีที่สุดก็ยังเกิดดับใช่ไหมดาคนกับผีผีแมวผีหมูผีม้าอะไรก็เกิดดับไม่ใช่ไหม ชั่วขนาดไหนก็เกิดดับดีขนาดไหนก็เกิดดับนีรูปโอ้นี่เห็นอนิจจังทีนี้คนฟังเป็นแล้วไม่ได้ฟังเอาอะไรเคำหยาบคำชั่วคำดีกับฟังเอาอนิจจังฟังเอาทุขังฟังอนัตตาฟังเอาเห็นรูปน้ําเกิดขึ้นรูปน้ําตั้งอยู่รูปนัปน้นนั่นมีดวงตาเห็นธรรมเราก็ใจไหมเห็นรูปน้ําเกิดดับเห็นรูปน้ําเกิดดับไปแล้วนั่นแหละพระไตรลักษณ์แล้วพระธรรมธรรมะ อนนี้จังธรรมะทุกขังสมานิสตาไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยมีแต่ธรรมะฐานล้วนๆเสุทธิธรรมะวัฏันติธรรมะล้วนๆเท่านั้นที่ไหลไปที่หมุนมาเนี่ยนธรรมะธรรมะงงๆก็หมุนไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหมุนไปด้วยความทุกข์ก็ใช่ไหมไหลไปด้วยความทุกข์นธรรมะที่มีสติปัญญาก็ไหลไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสุทธิธรรมะวัฏจันติหมุนไปก็ธรรมะจักนะหมุนไปใช่ไหมธรรมะจักธรรมะงงๆสมะไม่มีสติปัญญาก็ คิดด้วยโลภกดหลงพูดด้โลภกรหลงทำด้โลภกรธหลงคิดงโงๆโพูดงงๆทําโงๆโโโแล้วก็ทุกข์ต่อไปนี่ธรรมะฝ่ายโง่ธรรมะจากงโง่เข้มมาใจไหมนี่ธรรมะจากฉลาดกับรูปไม่โกรธไม่หลงทําไปพูดไปคิดไปไม่ทุกข์เลยใจไม่ทุกข์โดยการทั้งข่วงนี่ก็หมุนไปอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ธรรมาจากักสุทธิสมาประวัติชนิตธรรมะล้วนๆเท่านั้นที่ไหลไปไม่ใช่ตัวกูไหลไปตัวกูเกิดตัวกูแก่ ตัวกูไหลามาเกิดตัวกูไหลมาแก่ตัวกูไหลมาเจ็บตัวกูไหลมาสายนั่นวิชฉาทิฏิของผธรรมะรูปน้ำเกิดขึ้นธรรมะรูปน้มตั้งอยู่ธรรมะรูปน้ำดำเไปธรรมะรูปน้มแก่ธรรมะรูปนามเจ็บธรรมะรูปนามแตกสลายพังไปแค่นั้นเอง ใ, ให้เข้าใจอย่างนี้ให้ใจนะ้วพูดโอ้ปรมัตถธรรมรูปนามเนี่ยปากก ills, ค็ควรฉันท่า น, านเธอไปเข้าใจไหมเข้าใจนี่เราทาบุญให้ศพที่เป็นๆเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยศพเป็นที่พัไปเลยไปทำบุญแล้ศพตาย ตายกัทีนี้ไปพระสมัยก่อนนะไปในงานศพเนี่ยนะไปในงานศพเนี่ยเขาเรียกว่านั่นงอะไรชื่ออะไรจําไม่ได้เขาเราียกศพินีอนางงามแบบสมัยก่อนเนาะนัดใส่ผ้าแตลักษณ์เลยแกเป็นฝังแกแกปฏิบัติธรรมแล้วแกแเ ข, ข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะก็เนี่ยม่วนพระไปฉันพัสทหารอยู่เรื่อยเลยที น, นี้พระองค์ น, นึง ไ, ไปหลงรักชอบเลยนะชอบนางคนนั้นเข้าทีนะ่ะ ถีนเ็กทนข้าไม่ได้อะไรมามาวัดเลยพอนางคนนั้นเจ็บผู้จ้าก็ชวนพระอง์นี้ไปพอไปถึงทรับแล้วก็ไปเห็นไปเยยบศพคนเนี้ยเสียตายก็โอ้รูปน้ำเกิดขึ้นรูปน้ำตั้งอยู่รูปน้ำดับไปก็แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาก็เลยปงใจได้จักรลักลักนางนั้นนางเขาเรียกว่าเาเรียกโซเณนีนางงามเมืองโซเพนีก็เรียกว่าเป็นป น, นางงามนะ แต่พวกวันนี้เอามาใช้กับกะลีภาษาไทยเอามาใช้กับกะลีภาษาไอเดียกโซเฟนีเนี่ยก็แปลว่านางงามนางงามของประเทศนางงามของโลกนางงามจักรวาลก็เลยก็กโซเฟนีสาวงามเอามาใช้กับทีนี้เขาประมูลกันประมูลก็ได้กลายได้กับพระราชาพระราชาเนี่ยจะได้นางงามไปประมูลกันประมูลซื้อกี่ล้านกี่แสนกันไม่รู้เนละพระราชาก็มาหาเศรษฐีได้ไปประกวดกันแล้วเข้าใจไหมทีนะี้ ราังปฏิบัติธรรมเนี่ยคทำให้ใจเราเป็นงามก็เรียกวหน้าตางามแต่งสวยเราทีนี้ก็เรียกว่าบวตี้ฟูลมอบตีฟูแต่หน้าสวยแต่หน้าสวยแต่แขนสวยแต่ขาสวยแต่เครื่องแต่งผมเ่เขียนเข้าไปสวยแต่เส้นผมเนี่ยไม่เอาเนี่ยเอาใหม่สวยแต่กายไม่เอาเอาต้องให้ให้ใจมันบตีฟูยบตีฟูลมาบฟูลแล้วโสจิตโสภะโสพนโโสโนไปว่าสวยไปงามไปบ่ดีฮะโสพนธจิตโต เบียดที่ฟูดมาคือใจสวยนี่เข้าใจไหมใจสวยก็คือใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยใจมีสติเี่แหละก็ใจสวยนี่เรามาฝึกให้ใจสวยอะไเนี่ยใจสวยใจงามใจดีเอาฝึกเข้าไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ไปผมรู้สึกตัวนี่มันรู้สึกซื่อรู้สึกใช้ใชรู้สึกเปล่าเปล่ารู้สึกบริสุทธิ์รู้สึกปกติอยู่เป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสเขาไมาแทรกแซงนั่นแหละเป็นตัวการทําใจให้สะอาดใจสว่างใจสงบใจบริสุทธิ์ใจดูดพ้นจากทุกสังพวงนีให้เห็นตัวนี้เห็นเองนะลูกเองเห็นเอง แล้วฟังทำฟังทำแล้วก็ทํำทำก็ทําทำทำสติให้เกิดข Clear hey yes, ึ้นในใจทําพระธรรมให้เกิดขึ้นในใจทำมาสติทำมารู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเให้เกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นรู้สึกรู้สึกไปเอ๊ะที่มันเผลอไปไปนึกคิดทําอย่างนี้จะได้อะไรคิดนะเอาคิดตัวตัญหาเกิดขึ้นแล้วทีนี้ว่ายึดว่าเรานั่งเราเมื่อยยกแขนปวดแขนนั่งเจ็บสะโพกเก็บอะไรก่อนแล้วเจ็บนันนะวิชาที่ความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วมาที่เจ็บ มันรูปมันเจ็บรูปมันป่วยดูใจถ้าใจเฉยให้ใจก็ไม่เจ็บใจก็ไม่ป่วยใจก็ไม่เป็นโรคด้วยก็ใจมันถ้าจะเจ็บใจก็ใจเป็นโรคใจ็ทุกข์เลยก็เลยโง่โง่เป็นทุกข์ทั้งกายโง่เป็นทุกข์ทั้งใจก็เรียกดับเบิลโง่โง่สองตัวทุกสองทางแต่ว่าทุกแต่กายใจไม่ทุกพูดงั้นเข้ากระแสพันธิพานเข้ากระแสพัสดุพบัตแล้วนะทุกแต่กายแต่ไม่ทุกเพราะกายนี่มันต้องทุกขึ้นมาวันหนึ่งทุกต้องกินยากินข้าวสามเวลา เช้าของวันเย็นมาดิวะแต่ก็สองเวลาตอนเย็นแถมน้ำปนน้ำเข้าไปอีกแต่บางคนก็แถมบุหรี่เข้าไปอ่าอกสิไปแล้วก็าบอกเห็นผ้าเขาพูดให้ฟังใช้สักผ้าใช้ซื้อของกินกาแฟทีละสองสองดูดบุหรี่อีกส่างหากินผีเข้าไปเงฉันผีกินผีเข้าไปเองผีเสียบติดผีเล่าผีบุหรี่ผีกาแฟผีอะไรสิ่งเสียบติดเข้าไปอีกน้ำเขาเรียกน้ำมันผีน้ํามันทายกินกรเสียบติดเข้าใช่ไหมปกสิ่งเสียบติดเขาเรียกน้ำมันผีน้ํามันทาย ทีนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ย น, น้ำยาลา้างเป็นเป็นน้ายาไปล้างล้างน้ํามัามนผีน้ำมันท า, ายล้างตัวกิเลสล้างตัวโรคตัวโกรธตัวหลงออกทั้งป้องกันและปราบปรามอยู่ในตัวเสร็จคือสติความรู้สึกตัวเนี่ยป้องกันและปราบปรามป้องกันไปทั้งหมดเราทำอย่างนี้ความโกรธเข้ามาไม่ได้พรความโกรธมันเกิดขึ้นสติเขาเห็นนั่นก็คือปราบปรามกวาดออกไปกวาดทิ้งออกไปจังนั้นจึงฝึกตัวความรู้สึกตัวให้ ไ, ไว ให้เข้มแข็งให้ว่องไหวขึ้นะกรู้ที่นี่เสร็จแล้ก็รู้ที่ใจมารู้ที่มือเนี่ยมารู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเสร็จแล้วมันจะยอนมาดูเองตัวกายเคลื่อนไหวเป็นกระจกเป็นกระจกให้ใชให้ใจดูใจอีกทีเนี่ยตอเราสองดูหน้าที่กระจกไม่เห็นหน้าเราเห็นไหมเรามองไม่เห็นสองกระจกอาศัยกระจกอันนี้ก็เหมือนกันจะดูใจก็ต้องมาดูที่กายเคลื่อนไหวแล้วใจมันจะยอนมาดูใจเองมันเคลื่อนไหวมันรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจนั่นเป็นความรู้สึกของโตัวโอแทรกแสง เป็นรู้สึกของตัวเองเลยรู้สึกเสียใจเป็นความรู้สึกนั่นรู้สึกยินดีรู้สึกยินลายจังหวะละความพอใจและวมาพอใจในโลกเสียได้โรคคืออะไรก็โลกตาโรคหูโลกจมูกโลกเล่นโลคกายโลกใจอะไรโรกคือเสีรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพานทำรูปนั่แหละคืออาการของโลกโลกกระทบโลกโลกภายนอกกระทบโลกภายในกระทบเกิดมาก็เกิดวิญญาณขึ้นทำสามการเขาเรียกผัดสางตากระทบโลกเกิดจากขู่วิญญาณคือความรู้สึกต่างตา ว่าเห็นรูปทำสามประการเขาเรียกผัดสะผัดสะเพราะผัดสะกระทบผัดสะแค่ผัดสะกระทบแค่กระทบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้นตัดทุกตรงนั้นเลยวิพัฒนาเกิดตรงนั้นเลยเสียงกระทบหูสักว่าเสียงเฉยเฉไม่ยินดีอะไรนั้นตัดตัดกิเลสตรงนั้นตัดตัวยินดียินร้าตัดรักตัวชังตัดตรงนั้นแหละไม่เกิดแล้วตัวโรคตัวโกดตัวหลงไม่เกิดขึ้นที่ที่เสียงกระทบหูแลยเข้าใจไหมจมูกก็รดกินกินอุจจาระกินน้ําหอมราคาคนละสามแสนอะไรก็แล้วแต่กระทบแล้วเฉย ก็ตัดทุกแล้วตัดความอยากตัดเกเรที่ตรงที่กระทบลิ้นตัดจิพัสสารถกระทบลินอร่อยไม่อร่อยก็เฉยใจรู้ซื่อเฉยก็ตัดตัดตรงนั้นปัจิพัสสานี่เก่งมากเขาเรียกจิตสติปัญญาค่องแคลวว่องไวมากเลยเขาเรียกอุกขสีกันอยู่จิตใจว่องไวค่องแคลวในการแต่นเป็นคนชั้นเลิศเป็นสติชั้นเลิศเอาพูดภาษาสมุนเป็นคนชั้นเลิศชั้นดีเก่งที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดก็ตัดตรงนี้ ต่อมาก็ไปตัดที่กายกระทบสัมผัสโพธาพะเย็นร้อนแข็งนุ่มเดิมหยาบกระด้างกระทบเฉยรู้สื่อๆรู้เฉยๆร้อนก็เฉยเย็นก็เฉยหนาวก็เฉยนุ่มนดิมก็เฉยหยาบค้ายก็เฉยแสบเผ็ดก็เฉยกระทบแล้วก็เฉยได้เยพชนะแล้วเข้ากระแสพปนิพาณทำมาลงเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นความคิดความนึกความฝันอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่อารมณ์ร้ายอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มากระทบใจใจก็เฉย รู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉรู้เปล่าเปล่ารู้บริสุทธิ์รู้กลางกลารู้ไม่ไม่ติไม่ชมไม่รักไม่ชังไม่ลำเอียงไปรักไม่ลำเอียงไปชังไม่ลำเอียงไปโอดไม่ลำเอียงไปกลัวขึ้นมาไม่ติไม่ชมขึ้นมานั่นแหละรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉรูปเปล่าเปลรู้บริสุทธิ์ะรู้ล้วนล้วนหลอกมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปรู้ใหม่ผ่านไปรู้ใหม่ผ่านไปรู้ใหม่ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆมือเคลื่อนก็รู้ผ่านไปมือหยุดรู้ก็ผ่านไปน อาการเคลื่อนไปน่ยไม่มีตัวโรคตัวโกดตัวลงอยู่เลยไม่มีเลยหยุดก็ไม่มีตัวโรคตัวกดตัวลงไม่มีผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่เป็นความรู้สึกล้วนๆเป็นธรรมะที่ทําหน้าที่ทล้วนๆอยู่บริสุทธิ์อยู่ <ไป S 2> ะต่เป็นนึกไ ป, ไปคิดน่ะความนึกความคิดปุงแต่งจึงเจ็บปวดขึ้นมาใจเป็นเหล่าความรู้สึกเป็นเหล่าให้ยวันนี้รู้สึกดีรู้สึกแจโป่งๆดีะมีตาติชีเห็นผิดแล้วให้วันนี้จิตใจของเราคับแคนนะ อึดอัดขัดเครื่องนั่นร่บล้มนั่นอ้าวนั่นก็เป็นยึดเป็นตัวเราอยแล้วจะไปยึดมันอ๋อเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเช่นนั้นเองตะสาตาตะสาตาเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นก็อย่างนั้นเนี่ยเช่นเช่นเปลี่ยนแปลก็คือเปลี่ยนแปลงเช่นเป็นทุกทนมนัยก็คือทนมนัยไวเช่นอนัตตามัคคับวันแดก็เช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองคําเดียวไม่ติว่าดีว่าชั่วว่าผิดประสูมันเป็นเช่นนั้นเองตะสาตา เป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองแค่ น, นั้นเองอย่างนั้นเองเแล<ต>้วพอรู้อย่างนี้ปับป๊ บ, บมันเป็นตัวปล่อย <pues> ตัววางอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยเล ย, ยตัวไม่ยึดไม่ถืออยู่ยตัวไม่ิีไม่ชมอยู่เช่นั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเราตะตาอาจ<น>ารย์พระธรรมเห็นเป็นเช่นนั้นเองภาษาอังกฤษก็ซัสเนตตัวตาตาตาต S ตัว u ตัว C ตัวเอะก็เนดซัสนสบางคนก็เนดบางคนออนิสเด็กบางอัางก็อามเนดเด็กบางอ่างออมนิสซัสเนสเช่นนั้นเอง เห็นเป็นเช่นนั่นเองเป็นเป็นอย่างที่มันเป็นน่ะแล้วเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั้นเองหญิงเช่นนั่นเอปได้เปรียบเทียบแล้วก็ใส่สมุดเข้าไปเขาจเช่นนั่นเองเห็นสีขาวก็เช่นนั่นเองสีดาก็เช่นนั่นเองสีเหลืองก็เช่นนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเองเสียงก็เช่นนั่นเองเสียงดาก็เช่นนั่นเองเสียงสรรเสริญก็เองเสียงหัวเราะก็เสียงร้องไห้ก็เช่นนั่นเองเสร็จแล้วก็ไม่เสียงนั้นก็แสดงอนิจจังทุก ขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ฝังได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นพระไตรลักษณ์แล้วเข้าใจไหมเสียงที่พูดเนี่ยกับอันนี้จังทุกขออากัิสาเกิดขึ้นได้เครื่อ ง, งมือสื่อสารจะดีขนาดไหนจะเป็นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เป็นไมโครโฟนไปปากเราพูดเครื่องมือสื่อสารธรรมะเนี่ยมันก็จะเกิดดับอยู่ใช่ไหมโลกนี้สวยงามตุะะ่ราชรถคนโง่เขาคนโง่เง่าเต่ า, เาตุตนท่านนั้นที่หลงติดอยู่อ ต, ติดชมติดดีใจจิตเสียใจติดมาเป็นสัตว์บุคคลตนเราเขาผู้นนมีปัญญาหาข้องอยู่ไหมโลกนี้สวยงามตุลาชรถคนโง่เขาเท่านั้นที่ติดอยู่ผู้รู้คือพุทโธใจตู้ตื่นระปาะหาข้องอยู่ไหม่พุทธเจ้าพูดอะไรลาชรถมันแต่งมันแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้แต่งอย่างนั้นผ ล, ลสุดท้ายกับมีอยากใหญ่มีตัวมอดอะไรเข้าไปเกาะมีฝุ่นเข้าไปจับสปกปรกลุงลางอยู่ดีตัวเรานี่มันแต่งเท่าไหร่ก็สกปรกอยู่นะบุก บุคคลคำว่าบอยไม้สลุคอควายสองตัวแล้วก็ลอยเรียงตามบุคคลแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าผู้กืนกินของเน่าบุคคลกินเข้าไปเนา่าเห็นไหมกินเข้าไปก็เรียกข้าวถ่ายออกมาเขาเรียกขอสลอีไม่โทเห็นไหมล่ะบุคคลผู้กืนกินของเข้าไปเน่ากินเข้าไปเดียเด๋ยวเน่าออกซิเจนหายเข้าไปถ่ายออกมาคำว่าไดาออกไซด์เห็นไหมเห็นไหมล่ะ กินของเน่าไมลมก็เน่าออกมาน้ำก็เน่าออกมาอุดข้าวก็เน่าออกมาเห็นไหมบุคคลแปลว่าผู้กืนกินของเน่าขั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าจูดเป็นนิดนี่แล้วจะเป็นอาหารก็ดีเสื้อผ้าก็ดีที่อยู่อาศัยยารักษาก็โลกย่อมคายเป็นของหน้าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันเห็นไหมทำมาอัศพาที่นี้ก็เห็นอย่างนั้นเองปรงเลยมันสวยหรือไม่สวยเช่นนั้นเองหมดเรื่องแนละ้วจบเลย ไม่ติไม่ชมไม่โกรธไม่กลัวไม่เกลียดมันเงี้ยเช่นนั้นเองจบเลยเห็นเป็นเช่นนั้นเองนี่ธรรมะสมหวังไดนั่งอยู่เนี่ยทา้านาธรรมธรรมอดีตจังธรรมะทุกขงังธรรมะนาตากันนะไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปบิดลบตาหเห็นทัรมอง น, นี้ลบวเสียงเนี่ยวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงความพุกจะเบาบางลงเพระาะไม่ยึดมั่นถือมัน่นเอาความแก่มาเป็นตัวเราเอาความเจ็บมาเป็นตัวเราเอาความตายมาเป็นตัวเรา จิตใจก็โปร่งโล่งเบาสบายมิจะธรรมะวนๆเท่าน <m any ian> ั้นที่ไหลไปไหลมาเกิดขึ้นไหลมาแก่ไหลมาเจ็บไหลมาตายไหลเกิดขึ้นไหลตั้งอยู่แล้วก็ไหลดับไปแค่นั้นเองแค่นั้นเองเช่นนั้นเองเท่านั้นเองเป็นเช่นนั้นเองตาตาตาสัตเน็ดด้วยเห็นอย่างนี้ตาตาเห็นนั้นเองและก็เช่นนั้นเองใครด่าก็เช่นนั้นเองใครสรรเสริญก็เช่นนั้นเองหมดเลย ไม่ยินดีไม่ยินไร้ไม่รักไม่ชังไม่ขวดไม่กลัวไม่กุ้มอะไรเจ็กก็เลยพ้นจากทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะจะรอพวกนี้ต้องเดี๋ยวนี้กินข้าวอิ่มก็อิ่มเดี๋ยวนี้อิ่มเราต้องถามใครไหมว่าฉันกินข้าวอิ่มหรือยังต้องถามพ่อถามแม่ไหมมันบอกเองใช่ไอมตัวเองบอกเองมันรู้เองอย่างนี้เหมือนกันใจเราไม่โลบไม่กวดไม่หลงใจก็บอกใจเองไม่โลบนะไม่กวดนะไม่หลงนะไม่อิจฉาพยาบาทกันนะไม่กวดไม่กลัวไม่กุ้มนะ นั่นกันั่นกัรูปน้ำนั่นก็รูปน้ารูปน้ําไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยนะรูปน้ําเกิดขึ้นรูปน้ําตั้งอยู่รูปน้าดับไปไม่สงสัยนี่เป็นลักษณะของพระสัจบัรมนะละสักการเจดีวิจิกิจฉาไม่ยังเลยสงสัยศีรับประา ป, ปามาดไม่เชื่อพิธีใดต่อคนนั้นมาสดเขาะให้เรามาต่ออายุทําบุญให้เราไม่เชื่อทําไม่ได้เราต้องทําเองความโกรธต้องละเองความขี้เกียจต้องละเอง้ขยันขึ้นหนเลยอะไรความโลภความโกขธหลงต้องละเอง บางเองปล่อยเองถ้ายึดถรร้ากำไว้ก็ยึดมันก็นกนแ บ, บกหนักเลยนะถ้าปล่อยวางก็ปลดลงไปก็ปล่อยชิ้งก็เบาเนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วกัน ร, รับทราบรับรู้รับทราบแล้วก็รับวางปล่อยแล้วก็วางกําแล้วก็แบกบสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสัมผัสแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปเนีก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนี้นั่นแหละก็เรียกว่าไม่จิตอารมณ์อารมณ์ดี กระทบก็เฉยไี่ผ่านแล้วพ้นแล้วหลุดแล้วปล่อยแล้ววางแล้วต่อไม่เจ็ดแล้วอรัดขาดแล้วอารมณ์อารมณ์ดีๆก็เฉยอารมณ์ร้ายๆหลอก็เฉยะคําพูดดีๆของคนอื่นก็เฉยคําพูดชั่วๆร้ายๆอยางๆผมก็เฉยผ่านชนะแล้วชนะอะไรเงี้ยใจชนะอารมณ์ยืนเนืออารมณ์หลุดพ้นจากอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์บรรลุความสงบบรรลุความสะอาดบรรลุความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าใจก็เลยว่าง ว่างจากโกรธว่างจากโกรธว่างจากหลงว่างจากความอยากว่างจากความยึดว่างจากความยึดมั่นถือตนตัวตนว่างนิพพานังปะละมังทุญัอย่างพระนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากรคประวัตวตนว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธรรมะดลลวนเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นอธรรมะงงๆก็ไปทุกต่อไปธรรมะฉลาดมีสติปัญญาก็พ้นทุกต่อไปไม่ไปทุกต่อไปเอาละเช่นนั่นเองะคงจะจบแค่นี้แล้วะ เอาเวลาไปไปฏิบัติตนเองว